แต่แม่เนี่ยเป็นเมียคนที่สองเมียคนแรกอยู่ที่เมืองจีนอันนี้คนคนจีนเนี่ยนะก็มักจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามีเมียคนแรกที่เมืองจีนเสร็จแล้วพออพย พ, พ, ยพเสือ่อผืนหมอนใบามาที่เมืองไทยก็มีเมียคนไทยอากงวันนี้เนี่ยแกก็เกิดจากแม่ที่เป็นคนไทยแล้ววันหนึ่งพ่อเนี่ยก็อยากจะให้ลูกนะไปเรียนรู้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 แม้ว่าจะอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าสุขสบายแต่ก็คิดถึงเมืองไทยคิดถึงแม่มีข่าวมีบางมีบางครั้งเนี่ยก็ถึงกลับนะไหว้น้ํานะลงทะเลไหว้น้ํานะคิดว่าเท่าไหวไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงถึงเมืองไทยนะแต่มันก็ว่ายไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าเมืองจีงกับเมืองไทยมันไกลกันเยอะมากนะอายุครบสิบเจ็ดนะพออายุสิบเจ็ดปีเนี่ย ก, ก็กลับมาเมืองไทยดีใจมาก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 นะอยากจะได้ยินนะว่าลูกพูดว่ามันลําบากในเะมืองจีนนะคิดถึงแม่ตลอดเวลาที่เมืองไทยเนี่ยนะกิเลงคนเป็นแม่เป็นอย่างเนี้ยในกรณีนี้นะพอลูกพูดว่าสบายเนี่ยนะโดยว่าพูดถึงแม่คนจีนว่าเนี่ยนะใจดีเอื้อเฟือเนี่ยโกรธมากเลยนะนะเช่นหมากนี่กระแทกพังไปเลยด้วยความโกรธ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 แต่ปรากฏว่าแม่เนี่ยกับนะพูดไว้พอลูกว่าหรือเป็นเด็กดีหรือเป็นคนดีหรือจะต้องได้ดิบได้ดีนะแล้วแม่ก็ตายอันนี้ก็ลังคิดดูนะแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันนะแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันสี่สิบกว่าปีแต่ว่าอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับคนแปลกหน้าเหมือนกับอยู่คนละโลกนะไม่พูดกันนะ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 ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วจ็กก็เริ่มถามนะถามเสมอว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นพ่อคุณรู้ไหมตอนที่คุณเนี่ยออกจากบ้านไปคุณรู้ไ้มว่าลูกสาวคุณเนี่ยอยู่บนบันไดชั้นบนสุดรู้นะรู้และทำไมเนี่ยนะคุณถึงทิ้งเธอไป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 วันท้ายท้ายของชีวิตนะแต่ก็มีหลายลายนะที่ว่าแม้กระทั่งวันท้ายๆยนี่ก็ไม่สามารถจะปรับความเข้าใจได้เพราะมีทิฐิมานะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายหรือว่ามีความเจ็บปวดจนกระทั่งไม่พร้อมที่จะให้อภัยหรือว่ามีทิฏฐิมานะจนกระทั่งไม่พร้อมที่จะขอขอมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเศร้านะเป็นโศกนาฏกรรม